เขามีวิธีคำนวณนะครับมีวิธีคำนวณอยู่เขาวัดตามอารมณ์วัดตามการมนาสิการเป็นต้นเนี่ยเราก็เอาอุปจาระสมาธิไปก่อนก็ได้นนโอ ย, ยมั น, น, นคื อ, ค, อคืออะไรอ่ะเหมือนกับว่าแค่แค่ว่าพูดถึงแบบสมมติ น, นะชาวโลกแบบทั่วไปนะแค่แบบคนในโลกเนี่ย ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปนะเขาจะเดินทางแค่จากตับโมบ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งนะโอ๊ยเขาเดือดร้อนมากเลยนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีบุญจริงๆอ่ะนะเดินทางไปห้าประเทศภายในไะม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยนะมือเช้าทานอาหารประเทศนี้มือกลางวันทานอาหารประเทศโน้อนอย่างงี้ยนะมือเย็นไปโน่นทานมือนะั้นมือดึกไปกินข้าวต้มอยู่ประเทศโน้อนอย่างเงี้ยเขาทําได้หมดนะไม่ได้เป็นเรื่องอยากเย็นอะไรสําหรับผู้ที่ผู้ที่เขามีบุญแบบนั้นอนะ่ะะ นี้ก็เหมือนกันในในพระองค์เนี่ยซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปเปรียบกับพระองค์ไม่ได้โดยประการเดียวเนี่ยนะมันไม่มีผู้ใดรู้รู้ในส่วนที่พระองค์ทําได้สิ้นเชิงจริงๆริอะนะนอกจากพระพุทธเจ้าด้วยกันอย่างที่เขาเอามากล่าวก็คือกล่าวในส่วนเอกเทศที่ ท, ที่ที่พอรู้ได้ที่พระองค์ให้ในให้แนวเอาไว้ก็ก็รู้ตามเท่านั้นเท่านั้นเองไม่ใช่ว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งไปรู้ได้อะไรของพระองค์ได้ตลอดสายเนี่ยนะก็อย่าง อุบาสกที่เป็นพระนนาคามีสมัยพุทธกาลนี่ก็บอกว่าถ้าใครพึงรู้พระสมณโคดมผู้นั้นก็พึงเป็นเช่นกับพระสมณโคดมที่ที่จะไปรู้เท่าๆขนาดนั้น น, น, น, น่ะนะท่านบอกว่าจเจริญบุญก่อนนะคะแล้วก็จะรักสังฆราชาในบุญก่อก็หมายความว่าเมื่อจเจริญบุศลแล้วคนบางประเภท บุบุญน่ น, นะ ะ, ะบอกข อ, อ, อ, อให้ันรวยขอให้นเดมาดีๆห้ลูกดีดๆอะไรอ ย, อย่างนี้ใช่หรือเปล่าคืออันนี้มันเป็นถามว่าอันนี้ก็ใช่แต่ว่ามันใช่ในระดับชาวบ้านเกินไปม น, นนะคือมันมั น, มนในชั้นค่อนข้างหยาบ น, นะโดยที่สุดมาทำฌานให้ได้แล้วไม่มีฉันทราคะในฌานนะคือพิจารณาฌา น, น, นไม่ติดแม้ในฌาน คือคำว่าไม่ติดในฌานไม่ใช่แปลว่าไม่เข้าฌานนะไม่ติดในฌานแปลว่ายกองค์ฌานพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเพื่อเป็นบาตแห่งวิปัสสนาเรียกว่าไม่ติดในฌานนะคือคนที่ได้ฌานโดยทั่วๆไปส่วนหนึ่งก็จะไม่เจริญวิปัสสนาไม่ยกองค์ฌานพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นไม่ภาคเพียนไปพิจารณารรมะอื่นๆก็ก็ติดในการเข้าสมาบัติอยู่เท่านั้นเองนะ ก็อย่างที่เธอกล่าวว่าก็เข้ากสินอันนี้มหมายความว่าให้ได้กสินก่อนนั่นนะมาได้กสินแล้วก็ปลาลบกสินอันนั้นน่ะเข้าฌานนี่นะตารบกรสินเข้าฌานให้ได้ฌานที่สี่ ก, ออ ก, ก็ก็เข้าฌานให้มานได้ฌานสีน่าานนาาสไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชคือ คือกสินเดียวเนี่ยเข้าให้ไม่ได้ชานสี่ก่อนนี่ยนะพอได้ชานสีเนี่ยก็ออกจากชานแล้วก็ขยายกสินขยายกสินเท่าที่ทําได้เนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วก็เพิกคําว่าเพิกแปลว่าไม่สนใจว่าเป็นกสินใส่ใจว่าเป็นอากาศเนี่ยนะก็กําหนดอากาศนั่นแหละทําชานให้ได้อีกครั้งหนึ่งอันนะั้นชานที่ได้ครั้งหลังเรียกว่าอากาสารนันใจจะตะนะ ไปดูดูดินไว้บ้างนะนะเผื่อจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันพวกอรูปรชาเนี่ยต้องต่อจากกสินอย่างเดียวต่อจากอย่างอื่นไม่ได้ต่อจากกสินแปดอย่างเดียวมาขึ้นอุปาทายสูตรเลยนะดูก่อนออพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่ออะไรมีสุขและทุกข์อันเป็นไป อันเป็นภายในอาศัยอะไรเกิดขึ้นนะก็ถามว่าสุขทุกอันเป็นภายในเนี่ยอาศัยอะไรเกิดขึ้นพิสูจนทั้งหลายก็กราบทูลว่าพระเจ้าค้าทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์เนี่ยนะมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลเป็นลักษณะ น, นี้พิกษุนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลโดยมากจะไม่ตอบน่นะ ท, ทั่วไปจะไม่ตอบเพราะว่าพระองค์ถามเพื่อประสงค์จะตอบเองนนะ พระผ <ær> ู้ม enfin in ีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อจักสุมีสุขและทุกข์ที่เป็นภายในอะอาศัยจักสุเกิดขึ้นก็เมื่อโสตะมีสุขและทุกข์ที่เป็นภายในเนี่ยอาศัยโสตะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคาณะมีสุขและทุกข์ที่เป็นภายในเนี่ยอาศัยคานะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อลิ้นมีเนี่ยนะชิวหามีเนี่ยสุขทุก ที่เป็นภายในอาศัยชิวหาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกายมีสุขและทุกข์ที่เป็นภายในอาศัยกายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใจมีสุขและทุกข์ที่เป็นภายในอาศัยใจเนี่ยเกิดขึ้นดูก่อนพี่สุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนะจักโศเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะกิปกติเนี่ยผู้ที่ยึดถือในจักสุ ก็จะยึดถือเวทนาที่เกิดจากจากสุขเนี่ยนะหรือบางทีถ้าเมื่อไม่ได้พิจารณาจากสุขก็มัวแต่สําคัญเพลิดเพลินในสุขทุกขที่เกิดจากจากสุขเพราะฉะนั้นก็ตัดเรียกว่าตัดต้นเข้าเลยนะว่าจากสุขเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์ประเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์อันเป็นไปในภายใน ไม่อาศัยสิ่งนั้นอ่ะเพิ่งเกิดขึ้นได้หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอันนี้ก็คือพาพิจารณาความไม่เที่ยงของตัดใ จ, จด้วยเนี่ยนะก็กล่าวว่าสุขทุกข์ในอาศัยจักขูเป็นปัจจัยใช่ไหมก็เท่ากับกล่าวว่าอาศัยจักสุขกับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภัสสะแล้วเนี่ยนะแต่ว่าสําหรับบางท่านไม่ต้องไปพูดอะไรมากขนาดนั้นบอกว่ามีตาเนี่ยแหละจึงมีสุขมีทุก แล้วตามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเอาถ้าตาไม่เที่ยงแล้วเวทนาที่เกิดจะเที่ยงมั่งหรือไม่เที่ยงหรอกนั่นะนะี่ถามว่าเราถ้าถ้าผ้าให้ในายแบบนี้นะเราก็พอรู้นะใช่ไหมแต่เราไม่คิดอะ <laughs> พอให้ในายปั๊บเราก็รู้ละหลังนั้นเออเอ า, เ, อาเป็นอย่างนี้อย่างงี้ก็ใชใช่ใช่เหตุผลเนี่ยใช่แต่ว่าเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเป็นเป็นปกติอัธยาศัยเนี่นนะี ถ้าใครอ่านสลายยตนะมากเนี่ยจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เอาแง่มุมในเรื่องตามาคิดมากที่สุดเไม่มีแง่มุมไหนที่พระองค์ไม่เอามามาพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาทุกแง่ทุกมุมหมดเลยยกตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกตาก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะเราคิดนี่ยเาหูก็เหมือนกันนะ หูเนี่ยก็ไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วสุขทุกข์ภายในเนี่ยอาศัยหูที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมสมมุติถ้าไม่มีหูเลยนะสุขทุกข์มันจะเกิดได้ไหมก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีจมูกสุขทุกข์มันจะเกิดได้ไหมมีไม่ได้ถ้าไม่มีลิ้นสุขทุกข์ก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีกายสุขทุกข์ก็เกิดไม่ได้ใจก็เหมือนกันนะบอกใจเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงระะเจ้าค่ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขทุกข์อันเป็นภายในเนี่ยอาศาายัยไม่อาศัยสิ่งนั้นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะบางทีนะเราจะให้ความสําคัญกับความรู้สึกภายในใจของเราเหมือน ก, กันนะออใจมันเรารู้สึกอย่างนั้นเราสุขเราทุกข์ให้ให้ค่ากับความรู้สึกของเราเนี่ยนะ แต่ถ้าคิดเลยไปอีกเนี่ยใจที่เป็นเหตุแห่งความรู้สึกอันนั้นใจอันนั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและไอความรู้สึกที่เรามาคิดๆเนี่ยไปให้ค่ามันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่มันจะเที่ยงมาจากไหนยังใใไงนีมันเราก็เวทนาเหมือนรายจังกิสุราไปท่องมาแล้ว <altri> มันต้องค่อยๆไล่ใช่ไหม ร, ร, รูปเหมือนอะไรอ่นะ ต่อนมนะ้ำไหเวทนาเหมือนต่อมน้ำนะไล่มาลัทลัดคอไม่ได้ใช่ไหมต้องก้อยว่าเป็นอนันต์ไป <t os ite> <g ül> ก็คือมันอเวทนาเนี่ยมันเึ่งไม่ได้ต่างอะไรจากต่อมน้ําเนี่ยนะถ้าพิจารณา ไ, ไอไยัตนะภายในยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยความรู้สึกที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็จะไม่ให้ค่ามันนักใช่ไหมไม่ให้ค่าว่ามันเป็นอะไรไม่ให้ค่าว่ามัน เที่ยงมันสุกยั่งยืนว่ามันเป็นของดีอ่ะนะถ้ามันอาศัยของที่ไม่เที่ยงอ่ะเกิดขึ้นดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่นี่เห็นอยู่แค่ไหนคําว่าเห็นอยู่เนะแปลเป็นไทยว่าเห็นเป็นปกติหรือเห็นเป็นประจําหรือเห็นเว้นแต่หลับก็ได้นี่อันนี้คือตัวปฏิบัตินั่แหละใช้คําว่าเห็นอยู่เห็นอยู่ดูอยู่รู้อยู่อ่ะนี้เรียกว่าปฏิบัติล่ะอันนี คในคำเดียวกันก็เท่ากับบอกโอยมีสติเจริญทุกเมื่อพิจรารณามากนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่อยางไงถามว่าเห็นแค่ไหนก็บอกเห็นคู่ควรแก่ความเบื่อหน่ายนะเห็นตามหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเวทนาที่อาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงอ่ะต้องเห็นอยู่ขนาดไหนต้องเห็นอยู่พอที่จะเบื่อหน่ายในายจากสุขเบื่อหน่ายในโสตเบื่อหน่ายในขานะเบื่อหน่ายในชิวหาเบื่อหน่ายในกายะเบื่อหน่ายใน ในใจอะ่ะมันต้องเห็นเท่านั้นอะ่ะเห็นให้พอแก่การเบื่อหน่ายอ่ะเบื่อหน่ายแม้กระทั่งความคิดอ่ะนะเบื่อหน่ายแม้กระทั่งความคิดเนี่ยโอ้ใครเบื่อหน่ายความคิดได้นี่ก็เก่งเยอะนะแต่ไม่ใช่เครียดแล้วเบื่อหน่ายความคิดนะไม่ใช่คือหมายเขาว่าขณะที่สงบจิตเป็นอย่างยิ่งแล้วเบื่อหน่ายไอ้ความสงบอันนั้นอีกเนี่ยอันนี้เก่งมากอนะโมทนาด้วยไม่ใช่มีใครว่าเราก็ว่าเองแหละ ว่าใครที่เห็นโทษภัยของแม้กระทั่งสิ่งดีขนาดนี้ได้เนี่ยก็อัธยาศัยที่จะออกจากทุกอย่างแรงกล้านะะก็ตั้งโจทย์ถามสับถามเดิมอีกว่าเฮ ถ, ถ้าถ้าพอใจแล้วมันเสียหายตรงไหนสมมุติถ้าเรามีความสุขไดสมาธินะเย็นอกเย็นใจดีเนี่ยนะอมันเสียหายตรงไหนเราก็พอใจอ่ะนะอ๋อหมอยุพินนี่วัดตะยาวเลยสาธุนะเนี่ย อนะคือมันเป็นที่ตั้งแห่งความเนื่นช้าใช่ไหมเอาละลองเพลิดเพลิน อ, อะไรบั่งที่ไม่นํามาซึ่งทุกข์มีไหมล่ะเอาไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เขารีบออกจากสิ่งเหล่านี้เขาเนื่องจากเขาเห็นภายในระยะยาวเนี่ยนะคือคือถ้าถ้าเราเปรียบเทียบอย่างงี้นะอ่ามันมีสมมติถ้าเป็นเป็นรถยนต์เนี่ยที่ที่มันขับแบบเสียเส่ยงๆนะนะรู้แล้วว่ารถคันนี้ไปถึงระดับโน้นมันต้องตกหิวทั้งหมนะ เขาก็มีสถานีแวะให้จอดลงเรื่อยอะ่ะแต่เราไม่ลงอะ่ะเพลินมากมสบายมากอ่ะนะเสียดายก็อีกงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในตอนหลังอะ่ะก็ก็เดือดร้อนในตอนหลังฉันได้เนี่ยนะผู้ที่เพลดิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกาใจเนี่ยในที่สุดต้องนำมาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังให้จนได้สมมติถ้าผู้ที่ยึดติดในสมาธิเลยนะถ้าไปเจริญสมาธิเอาเอ า, เอาไม่ต้องว่ า, าแบบหยาบหยาบนะเอาแบบอย่างละเอียดเลย ไปติดในสมาธินะแล้วไปป่วยแล้วเข้าสมาธิไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็เดือดร้อนอีกแล้วนะที่พระองค์ถามถ้าพิสูรรูปหนึ่งว่าเธอมีอะไรเดือดร้อนใจไหมมีพระเจ้าข่านี่นะว่าเมื่อก่อนข่าพระองค์เข้าสมาธิได้ตอนนี้มันเข้าไม่ได้ตั้งกับป่วยเข้าไม่ได้เลยหมายความว่าเมื่อก่อนเข้าฌานสีได้อะพอป่วยแล้วเข้าฌานสีอีกไม่ได้ก็เดือดร้อนพระองค์ก็บอกว่าศาสนานี้ไม่ใช่มีสมาธิเป็นสาระนี่นะ เพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยเป็นทิ่ถธรรมมัสุขะวิหารธรรมเป็นบาตรที่จะเจริญวิปัสนามันสาระจริงๆก็คือการเจริญวิปัสนาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอไปเจอสูตรนี้เข้าทำศึกทำใจไว้ไม่ดีก็เลยไม่เจริญสมาธิอีกอันนี้นหนักมากเนี่ยนะก็เหมือนอย่างไรเหมือนกับบอกโอ้คนให้ทานมากนะเป็นเหตุให้มั่งมีแล้วก็บอกคนที่มั่งมีก็ติดในโภคะใช่ไหมเจ้านี้บอกเห็นโทษของการติดในโภคะเลยไม่ให้ทานเลย เนี่ยนะเบอกเออการรักษาศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ฟังว่าสวรรค์ก็ติดอีกนะพวกเทวดาก็ติดในสวรรค์อีกเจ้านี้เลยไม่รักษาศีลเลยนะเสียหายขนาดไหนนะียคือไม่ให้ทานไม่รักษาศีลก็นับเสียหายชันชั้นพื้นๆเนี่ยนะไม่เจริญสมถะนี่เสียหายชั้นสูงมากเสียหายยังไงเพราะว่าคนที่ไม่เจริญสมถะทั้งหลายโดยมากเอาไงนะถ้าไม่ไม่เนื้อคำว่าวิตกอะไรวิตก กามวิตกการเจริญสมาธิคือการเจริญเนคข ม, มะวิตกมันดีขนาดไหนดีอย่างมากด้วยเนีย่ยนะเพราะนั้ น, นเนคข ม, มวิตกเป็นสิ่งค่อนข้างประเสริฐมากเนยนะถ้าเทียบกับอารมณ์ทั่วๆไปถ้าหากบอกถ้าเห็นโทษของเนคขมวิสมาธิก็เท่ากับเห็นคุณของกามเนี่ยนะเพราะฉอย่ารังเกียจในการเจริญสมถะทั้งหลายเล ย, ยนะคิดตำหนิกับคนอื่นก็คิดให้คนอื่นมีความสุขมันไดีกับกันอเทียบกันไม่ติดรอกเนีนะ อย่างน้อยที่สุดสุขภาพจิตก็ดีขึ้นเยอะเนี่ยนะท่านผู้ที่ตามเห็นมากมาก็อย่างว่านะย่อมเบื่อนายเมื่อเบื่อนายก็คลายกำหนัดผู้ที่คลายกำหนัดก็หลุดพ้นนะนะคลายกำหนัดเป็นชื่อของอะไรนะอริยมรรคใช่ไหมหลุดพ้นก็วิอริยผล เมื่อหลุดพ้นก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอันนี้ก็ปัจเวกขณะยานรู้ว่าชาติสิ้นแล้วรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะไม่ปฏิสนธิอีกแล้วนะนะถ้าคิดดินะเองดียังไงนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียหายยังไงถ้าไม่มีแล้วดียังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่จะต้องไปทา ไปไปไปคิดให้มากเพราะคนที่คิดโจทย์อันนี้นี่แหละเรียกว่าคนเจริญมีปั ส, สนาถ้ามีตาหูจมูกเลนกายใจแล้วมีโทษยังไงนั่นคือเจริญอาทีนวานุปั ส, สนาถ้าไม่มีแล้วดียังไงอันนั้นเรียกว่าพิจารณาสันติบทญาณเนี่ยนะก็วั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเราก็ดูว่าสองยานเนี่ยไห น, นมีกําลังกับกันเนี่ยนะสันติบทญาณกับ อาทินวายานหรือไม่ได้สักอย่างเลยนะถ้ากามาวิตกไม่ใช่สักยานะทุกขสูตรเลยนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจากแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกขคือวัตถทุกเนี่ยนะ่ก็แสดงความเกิดความดับของวัตถุทุกเธอทั้งหลายจงฟังก็ความเกิดแห่ง ทุกเนี่ยเป็นไฉนคือความเกิดแห่งวัตถุทุกเนี่ยนะหมายว่าความเกิดแห่งทุกขนั้นคืออาศัยจักรสุแล่รูปเกิดจากรสุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานี้เป็นความเกิดแห่งทุกขแมาตัณหาเกิดนี่ทุกเกิดเลยคุณบัญชูนีนะตัณหาเกิดทุกเกิดเลยนะเอาถ้ายังมีตัณหามันก็เท่าปฏิสนธิมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงะนะเพราะพูดพอไปถึงตัณหาปั๊บก็เท่ากับ ก็ถ้าตันหาเกิดทุกข์น้ะตัหาเป็นเหตุแห่งการแสวงหาเป็นต้นใช่อันนั้นก็ทุกแบบที่เห็นเห็นแบบชาวโลกอ่ะนะในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์คือปฏิสนธิเพราะฉะนั้นตันหาเนี่ยเป็นมูลสองประการนะเป็นมูลแห่งการแสวงหาอย่างหนึ่งเป็นมูลแห่งวัตตะเนอย่างหนึ่งก็ทั้งสองประการเลยคือคนที่มีมูลแห่งการตันหาเป็นมูลแห่งการแสวงหา ก็ในขณะเดียวกันก็เป็นมูลแห่งวัตตะด้วยเนี่ยนะเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยนะก็ทุกสองสองอย่างเลยนะทุกรวบเลยนะถ้าตันหาเกิดก็ทำให้สแสวงหาวัตถุกรมอย่างหนึ่งตันหาเกิดก็เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพใหม่อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะที่ตันหาเกิดนั่นแหละเรียกว่าความเกิดแห่งวัตตะทุกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโคนนัยกัน ถ้าพูดถึงสุขทุกขเวทนาเนี่ยนะทุกขเวทนาทางกายเนี่ยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอันนี้เรียกว่าลูกสอนดอกที่หนึ่งพอทุกกายเสร็จก็ต่อด้วยทุกใจอันนี้เรียกว่าดอกที่สองถ้าพระอริยะท่านก็ดอกเดียวคือทุกกายท่านไม่ทุกใจเนี่ยะก็คนลนัยจากที่กล่าวนี่ท่าน อาศัยหูและเสียงเกิดโสตวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานี่เป็นความเกิดแห่งทุกข์เนี่ยนะคิดนะั่นได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็เป็นทุกทุกทีเลยนะียอันนี้หมายถึงว่าเสียงที่น่าปรารถนานะมันจึงเกิดตัณหาเหมือนกันเถอะไม่ใช่ไปฟังเสียงที่มันเสียงคนบ่นเนี่ยนะไม่ใช่เอาแบบฟังเสียงที่มันน่าปรารถนาตัณหาเกิดนั่นแหละทุกเกิดแลนะ้วเนี่ยนะ ก็แสดงว่าถ้าเปิดเพลงฟังเมื่อไหร่ก็เออเนี่ยทุกข์อีกแล้วเนี่ยนะความทุกข์เกิดอีกแล้วเนี่ยนะแต่แต่ผู้การได้แจวแล้วนะฟังเพลงพิจารณาริยศสัปด์ได้เนี่เก่งมากแล้วนโมทนาด้วยไหไปไกลามากแล้วนะไม่ธรรมดาแล้ว คือคําว่าทุกข์อันนี้เนี่ยนะมันมันรวบหมดมันรวบทั้งอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาสุภาเอาไว้หมดเลยคําว่าทุกข์อันนี้เพราะหมายถึงทุก ข, ขาริยสัตว์อย่านะัถ้าตันหาเกิดถ้าสมุทัยเกิดทุกข์ก็เกิดอะ่ะมันก็เท่ากับทุกข์อื่นๆเนี่ยเท่ากับพูดหมดแล้วนั่นแหละก็คือถ้าบอกว่า เนี่ยชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกขมรณะทุกโศกะปริเทวะทุกโทมนะทุกทุกพระพลทพรากจากของรักทุกพ่อตายแม่ตายเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยนี่แหละคือทุกขังอันแบบชัดๆที่มันค่อนข้างชัดเจนกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะเพราะในคำว่าทุกข์อันเนี่ยกว้างขวางจนถึงว่าแว่าตายเกิดตายเกิดตายเกิดกระดูกองโตเท่าภูเขามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะโอ้นี่มันก็ทุกข์มากแล้วนะใครก็ยอมรับว่ามันทุกข์นะ มันคือคือคําเหล่านี้เนี่ยนะครับบางอย่างมันก็รู้ได้ด้วยในเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าขึ้นเคียงไปพาสมมติว่าต้องต้องตัดซี่โครงออกห้าซี่อย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าขึ้นเคียงตัดซี่โครงเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่สนุกอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นของทุกข์อยู่แล้วแค่บอกว่าแค่เข็นไปเข้าห้องปั๊บก็รู้แล้วว่าไม่สนุกแน่นอน พัน้าบอกว่าถ้าบอกว่าเกิดทุกเกิดเนี่ยนะมันก็เท่ากับบอกหูไม่มีอะไรจะทุกหลังจากเกิดมาแล้วไม่มีอ่ะถ้าขอให้พูดคำว่าชาติปั๊บเนี่ยนะทุกที่เหลือในโลกเนี่ยมีหมดเลยเพราะทุกที่เห็นเห็นเราเนี่ยก็ที่เห็นเนะที่ได้ยินทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่เกิดนัทุกนั้นั้นเขาจะมีไหมไม่มีเนี่ยนะถ้าไม่เกิดจะต้องไปติดยาไหมไม่ต้องนะถ้าไม่เกิดเนี่ยจะต้องไปทุกแบบทั้งหมดที่เห็นเห็นเลยวางั้นเถอะที่เห็นเกิดจากชาติทั้งนั้นแหละ ทวารอื่นก็ในยะเดียวกันนะว่าถ้าตัณหาเกิดทุกก็เกิดโดยที่สุดแม้แต่ทวารใจเนี่ยนะอาศัยมโนกนธรรมรมเกิดมโนวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเจียงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเจียงเกิดตัณหานี่แลเป็นความเกิดแห่งทุกเนี่ยนะตัณหาเกิดก็ทุกก็เกิดแล้วนะเนี่ยธรรมะนะถ้าว่าไปมันก็ก็ ก็ว่าให้ตรงๆนะเรื่องเดียวตลอดเลยนะเรียนอยู่เรื่องเดียวอะ่ะแต่ว่าเราไม่พยายามจะเข้าใจเพราะเราว่ามันดีมันยังดีอ่ะขันห้ามันยังดียังดีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันใช้ได้เนี่ยคือถ้าเราถ้าเราว่าไปนะคือเรายังไงเรายังไม่เห็นด้วยในส่วนที่ว่ามันไม่ดีตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละแค่นั้นแหะจริงแล้วก็แคบยักย้ายพยัญชนะนะ สมมติถบอกแหม่ถ้าเราเป็นคนช่างรังเกียจตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะธรรมารมจักขววิญญาณเป็นต้นนะฟังสูตรไหนจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตอกยำ้ำในสิ่งนั้นเออเธอเข้าใจถูกแล้วที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีสาระมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุแห่งไทยอะไรเนี่ยนะถ้าเจริญอย่างนี้อยู่แล้วนะมันมันจะไม่แปลกใจอะไรเลยเออใช่พระองค์ก็ยำ้ำอยู่อย่างนั้นนะเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ไม่บอกว่าจะทุกข์ขัดมันดีมันดีแบบนี้ ตันหานี่ดีเหลือเกินเนี่ยไม่มีพูดยังไงก็ตําหนิทุกขสมุทัยมีอยู่เท่านี้แหละเนี่ยนะเพียงเราใช้พยัญชนะแตกต่างกันไปบ้างจักขู่เป็นขันบ้างจักขู่เป็นอายตนะบ้างจักขู่เป็นธาตุบ้างจักขู่เป็นอินทรีย์บ้างเป็นสลยอา ย, ยตนะในปฏิจจสมุปบาทบ้างก็แยกย้ายไปเนี่ยนะก็เหมือนอะไรเหมือนกับ อ้าทานข้าวมื้อเย็นทานข้าวมื้อกลางวันทานข้าวทานข้าวผัดทานข้าวต้มมันก็ข้าวอยู่นั่นแหละเนี่ยเอานี่ทานอะไรข้าวต้มมาเนียเจนข้าวผัดข้าวคลุกงาข้าวกล้องข้าวอะไรเรียกไปเรียกมาก็ทานข้าวอยู่ทุกมื้อนั่นแหละนี่ยนี่ทำฟังธรรมะก็เหมือนกันนี่จะฟังวันไหนก็คือฟังอริยสัจเออมันมีเกินนี่หรอกเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหรือตรัสธรรมะไม่มีพ้นอริยสัจเพียงแต่ว่าเราฟังออกว่า คำเนี่ยหมายถึงสัจจะไหนคำนั้นหมายถึงสัจจะอะไรสัจจะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อประสงค์อะไรอะไรยังไงก็เท่านั้นแหละสำคัญอยู่ตรงนั้นจริงๆนยถ้าจะแปลกใหม่ก็ตรงการใช้คำตอนนั้นแหละพระองค์นี่เป็นผู้มีนิรุตติปฏิสัมพิธาจริงๆเนี่ยนะที่ที่จะสามารถบัญญัติคายักย้ายคําพูดโดยโดยนิยะต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะ ดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็ความดับแห่งทุกข์เป็นไฉนความดับแห่งทุกข์นั้นคืออาศัยจักสุและรูปเกิดจากสุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเพราะตัณหานั้นแหลดับเพราะสัโรอโดยไม่เหลือดับนะนิโรธะแปลว่าดับวิราคะหมายถึงมรดับตัวนั้นหมายถึงนิพพานนะนะ วิราคะก็ต้องหมายถึงมักพันถ้าอริยมรตมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยตัณหาจึงจะดับไม่มีเหลือถ้าตัณหาดับไม่มีเหลืออุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณาโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้แลเป็นความดับแห่งทุกเนี่ยนะก็ก็ดูนะว่าพระพุทธเจ้าเน้นดับ ทุกที่จะปฏิสนธิเป็นมูลนะีไม่ใช่เน้นดับทุกอันนี้ใช่ไหมทุกสูตรเลยนะถ้าอ่านดูอ่ะเพราะอะไรเพราะว่านิโรธสัตว์กรรมกษัตริย์มันดับทุกที่จะปฏิสนธิต่อไปในในภพหน้านี้อย่างหนึ่งแต่ว่าผู้ที่ที่แทงตลอดธรรมะอันนี้ยเป็นความสุขอย่างยิ่งตั้ง้งแต่ตปรัสรู้แล้วอนน อ, อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะสุขในปัจจุบันนี้ก็ได้อย่างหนึ่งถ้าปฏิบัติถึงอย่างนั้นแล้วก็ ดับทุกที่จักมีต่อไปในในวัตตะด้วยเนี่ยนะเพราะนั้นก็ดับทั้งทุกกายทุกใจในภพนี้แล้วก็ดับทั้งชาติทุกข์เป็นต้นที่จักมีต่อไปในอนาคตเนี่ยน ะ, ะทะวารอื่นๆก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าสามารถเอาจากักรสรูปจกักรขวิว ญ, ญาณภาษะเวทนาเนี่ยนะมาสำรอกตัณหาได้ในวัตถุนั้นเนี่ยนะ หูเสียงโสตะวิญญาณภาษาเวทนาจนถึงสํำ r อกตันหาได้ก็ต้องพิจารณาให้คู่ควรกับการสํารอกตันหาได้ถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับการเกิดในคันเป็นต้นก็ดับเนี่ยนะถ้าชาติดับเลยนะก็ไม่ต้องแก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่ตายเมื่อไม่แก่ไม่ตายก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจลำบากกายลำบากใจครับแค้นใจเพราะฉะนั้นกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะ ทั้งหมดนี่แหละเป็นความดับแห่งทุกเนี่ยนะก็ถ้าใครจำสูตรนี้ได้นจะจำสูตรอื่นอีกได้ไม่ต่ำกว่าร้อยสูตร่ไขอให้จำเนี่ยสักสูตรให้ได้เถอะยาไจยาจาระสเพียงกับว่าถ้าทรงจำได้ไหลายๆสูตรแล้วเอามาตรึกเอามาพิจารณามาไขาควรมาเจริญให้เยอะๆนะ องแสดงถึงเรื่องของการดับทุกโดยโดยระดับสูงนะครับหมายความว่าถ้าว่าจากปฏิบัติต้องไปเริ่มตั้งแต่รูปสตรการูศสตรกาใช้ไหมในตัวตัวนี้ที่พูดถึงอรหัตมรกเลยนก็มายถึงว่าดับทุกคือไม่มีส่วนเหลือในชาติที่สองต่อไป เขาองแสดงคําเนี่ยยังแสดงในสูตรเนี่ยพอพูดถึงดับทุกเนี่ยความหมายจรงว่าไม่เกิดอีกต่อไปมีค่าที่สองจะ ไ, ไม่ไม่มีปัจจัยในการเกิดไปกระเจิวเวลาปฏิบททัติจริงๆเนี่ยต้องมีขั้นตอนการปฏิบททัติแบบรูปสัจจะรูปสัจจะมารรก่อนในการพิจารณาไม่ได้มาพิจารณารัขั้นตอนเลยตรงนี้ว่า พระองค์แสดงว่าอาศัยจากรูปเปิดดับวิญญาณ คำว่าดับตันหาตรงนั้นเนี่ยนะมันเป็นคําที่ประกาศอารยมรักอารยมรักมันต้องเกิดโดยลําดับอยู่แล้วเนี่ยนต้องลําดับวิสุทธิเจ็ดเนี่ยนะถ้าอย่างรูปสัตการูปสัตการเมื่อกี้เนี่ยมันเฉพาะสูตรนั้นมันไม่ใช่เลยมาถึงสูตรนี้ถ้าสูตรนี้คําว่าดับตันหาเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงอรหัตตมรักษ์ใอรหัตตมรักษนันนี้เนี่ยก็ต้องมาจากมรักเบื้องล่างเป็นประทับฐาน และมักเบื้องล่างเนี่ยก็ต้องอาศัยวิสุธทธิล่างๆเป็นประทัดฐานไปอีกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าพระรัตน์ไปขึ้นตรงรูปศัตการูปศัตกาเลย ก, ก็คือคนลสูตรกันแล้วนะอย่างสูตรที่เหตุเกิดความดับเหตุเกิดความดับเนี่ยมันผ่านการพิจารณาโดยรูปศัตการูปศัตกามาเป็นอย่างดีแล้วก็ก็คนลสูตรกัน